บทที่20คนรู้ใจคืนนั้นมาวันทาเปิดคอมพิวเตอร์ออนไลน์อินเทอร์เนต็ตอย่างรู้เวลารู้หน้าที่ที่พึงกระทำยามห่างจากคู่ชีวิตสวัสดีค่ะพี่ อ, อง๋งเขาเป็นฝ่ายรออยู่ก่อนตามเคยจะเอินไปเล่นหมากรุกไหมคะและทิ้งเงียบไปพักใหญ่ก่อนตอบว่าวันนี้คุยกันเฉยๆดีกว่าพี่เพิ่งเข้าห้องพักกาลังขี้เกียจคิดค่ะแล้วแต่พี่ อ, อง๋งคุยกันอย่างเดียวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีเรื่องจะเรียบร้อยใช่ไหม เขาเดาได้เพราะหลังคำทักแรกมาวันทา ก, ก็ชวนเล่นหมากรุกแสดงถึงอารมณ์ใสเรียบร้อยค่ะเรื่องหน้ากลุ่มทั้งหลายดูเหมือนผ่านพ้นไปแล้วด้วยหลอนหมายถึงเรื่องชู้สาวอันน่าละหยี่ยใจเหลือประมาณหรอเกิดอะไรขึ้นถึงเชื่อมั่นได้มาวันทา น, นึกถึงใบหน้าของหมออมริดแล้วอมยิม้มเพราะดูท่าเขาอาจเจอเนื้อคู่แล้วมั้งคะละทีโฉนดสนเทและส่งเครื่องหมายประศนีมาเดียวเยวเป็นเชิงให้ขยายความ เมื่อสายที่เอินโทรเล่าให้พี่อองฟังเรื่องอุบัติเหตุมีหมอคนหนึ่งมาช่วยจ้ะคนนั้นแหละผู้เป็นสามีเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบกลับมาสั้นๆเจอกันด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินหวือหวาอย่างนี้จะใช่แน่หรือหลายๆอย่างสองค่ะเอินว่าใช่นะเอิญเคยว่าจะมีแฟนใหม่ง่ายไงใช่ตอนนี้อีกเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่แล้วก็คงต้องคอยดูว่าเอิญเก่งพลาดหรือเปล่าอืมถ้าใช่จริงก็ดีไปจะได้หมดเรื่องหมดราว พี่อ่องคะเอินอยากกลับขอโทษพี่อีกครั้งสำหรับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดทีแรกหล่อนพิมพ์แค่ขอโทษแต่ก่อนส่งข้อความได้กลับมาเพิ่มคำว่ากลับเข้าไปด้วยเป็นการแสดงความสำนึกผิดอย่างแรงเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกเคยคุยกันหลายครั้งแล้วไงเอินยังไม่ทันทาผิดสักหน่อยถ้าจะผิดก็ผิดโดยไม่ตั้งใจแล้วถอนเสียก่อนถล่มเต็มตัว มาวันทาเคยสารภาพบาปทางน้ำตากับสามีอย่างละเอียดว่าได้เคยพลาดพลั้งทางกายทางใจไว้อย่างไรแค่ไหนซึ่งเขาก็รูปศีรษะกรอบแสดงความไม่ถือสาแม้แต่น้อยครั้งนั้นแพทย์สาวโล่งใจไปครึ่งหนึ่งแต่วันนี้ขยับขึ้นมาเป็นโล่งเต็มหัวอกในเมื่อสาสางปัญหาหมดจดกับทั้งได้โชคชะตามาช่วยอนุเคราะห์เสริมท้ายอย่างบริบูรณ์เสียทีจึงรู้สึกคล้ายชาระหนี้ใหญ่ครบท้วนหลังผัดผ่อนมานานอย่างไรอย่างนั้น ตอนโทรหาพี่ออกเมื่อเช้าเป็นจังหวะที่จะเพิ่งช็อกหมดสติไปพอเขาฟื้นขึ้นมามีเรื่องน่าตื่นเต้นด้วยละ่ะยังไงหรอเขาความจําเสื่อมไปชั่วคราวค่ะเอิญกับพี่แตรไม่ถึงหมอที่เอิญพูดถึงนะคะ่ะต้องช่วยกันรื้อฟื้นความจํากันจ้าละวันงั้นหรือเสื่อมยังไงแค่ไหนก็ขนาดจําเอิญไม่ได้นะคะ่ะพอช็อกเพราะนึกว่าเอินอยู่ในรถคันที่ถูกชนตื่นมาอีกทีเอิญไปเลยตอนนี้ฟื้นกลับเป็นปกติแล้วค่ะ ปกติทุกอย่างแล้วเพราะเป็นแค่แอมซีเนียเล็กๆและทีไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของลานดาวนักพอทราบว่าเป็นปกติดีเขาก็เปลี่ยนเรื่องอากาศที่นี่หนาวน่าดูลืมเอาเสื้อกันหนาวมาไม่มีเอิร์นให้กอดอุ่นๆเสียด้วยแย่ชะมัดนี่ต้องใส่หลายชั้นแล้วสวมเสื้อนอกทับเอาเอถอดทะจังต้องนอนที่นั่นอีกคืนหนึ่งใช่ไหมคะซื้อเสื้อใหม่สักตัวสิไม่เอาหลอกเสียดายตังเลือกแบบถูกๆ ก, ก็ได้จะสักเท่าไหร่กันพรุ่งนี้ว่างกะทําอะไร ทีแรกว่าจะดูหนังแต่เปลี่ยนใจค่าดูแพงเหลือเกินสงสัยมีซ่วมติดอยู่ในเก้าอี้พร้อมมาวันทางหัวรอคิกโถเอ้ยเป็นนักบินทั้งทีเสียดายก็แค่ค่าดูหนังเปล่าหรอกคิดแล้วไปดูกับเอิญที่เมืองไทยดีกว่าเรื่องที่อยากดูก็กำลังฉายในบ้านเราพี่อ่องคะถามจริงๆเบื่อเอิญบ้างหรือเปล่าเขาเงียบไปครู่ทั้งที่เคยตอบเร็วเป็นฟ้าแลบอยู่ๆทาไมาถามอย่างนี้ บางคู่ดูใจสิบปีพอแต่งได้สองเดือนก็อยากกันให้เห็นถมเทนี่เราอยู่กันมาตั้งเกือบปีแล้วมาวันทาพิมพ์ด้วยความเนื่อยนายตามอารมณ์พอรู้ว่าจะไม่ส่งข้อความนั้นให้เขาพอพิมพ์อักษรสุดท้ายเสร็จก็ปาดเมารลบทิ้งทั้งหมดแล้วพิมพ์ใหม่ช่วงหลังดูเหมือนเอินทำตัวหน้าเบื่อพี่อ๋องท่าทางเซ็งๆอย่างเมื่อวานถ้าเป็นไปตามนัดเอิญก็ควรไปงานบวชน้องชายพี่อ๋องเอิญรู้สึกผิดจังช่างมันเถอะเอิญเขาบอกสั้นๆ ถ้าวันไหนเริ่มเบื่อเอินช่วยบอกให้รู้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นที่ผ่านมาเอินมีปัญหาตอนนี้หมดปัญหาแล้วก็แล้วไปเถอะแม่ละทีกล่าวเหมือนให้อภัยอย่างไรข้อแม้แต่มาวันทากลับรู้สึกประหลาดคล้าเห็นหน้าเขาเมินไปไม่มีกระแสความใส่ใจพุ่งแน่วมายังหล่อนเหมือนที่เคยคุ้นพี่อ๋องกําลังคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะคราวนี้เขาทิ้งระยะไม่นานนักเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้นแพทสาวมองหน้าจอด้วยอารมณ์เงียบสงบเป็นกลาง รัสจากอคติบอกมาเธอคะ่ะว่าเอินทายถูกหรือเปล่าที่พี่อ่องยังทักเอินถูกบ่อยๆกระทั่งลุกไปดื่มน้ํายังเคยตรงเพ่งจนเอินตกใจฮ่หาฮไปฝึกมีเซ้นมาจากไหนกันเนียมาวันทานแน่ใจว่าจับอารมณ์เขาถูกตอนนี้ลัทธิกาลังเกอเป็นเมียคนมีเซ้นก็เลยติดเซ้นมาโดยไม่รู้ตัวมั้งคะฮ่หาฮพี่เคยมีเซ้นกับใครที่ไหนเล่าเดาทรงเดทตามความรู้สึกจากการอ่านทั้งนั้นแหละภรรยานักบินหลีตาใจหล่อนยังเงียบสงบอยู่เหมือนเดิม ทว่ารู้สึกถึงอาการเกรงฝืนที่แฝงอยู่ในประโยคคําพูดของเขาเพิ่งแน่ใจว่ากลุ่มคําในแต่ละประโยคสามารถเป็นตัวแทนคลื่นเสียงในสมองของคนพิมพ์ก็แปลกนะคะที่พี่อ๋องเดาแม่นมาตลอดอืมงั้นขอเดาอีกทีตอนนี้เอินคุยกับพี่อยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่ารู้จักความเป็นจริงค่ะไม่ใช่เดาเพราะแต่ไหนแต่ไรามาถ้าคุยกับพี่อ๋องเอินจะใช้ทะเบียนสําหรับเราสองคนโดยเฉพาะไม่เคยมีคนอื่นอยู่ด้วยเอินไม่ได้น้อยใจหรือขัดเคืองนะคะ แค่อยากทดสอบดูว่าที่รู้สึกนั้นจริงหรือเก๊ถ้าพี่ อ, องค์บอกว่าเอินอุปทานไปเองก็จบพี่คุยอยู่กับไอ้เตะน่ะและที่ตัดสินใจยอมรับกําลังพนันบอลกับมันอยู่เออขอโทษอาจารที่ทําให้เอินจับได้สงสัยอาการทางจิตที่คิดต่อรองจะแรงไปเสียแล้วพี่ขอเลิกคุยกับมันไปเรียบร้อยก็คุยไปสิคะทำไมเอินกลายเป็นตัวทําบ่อนแตกได้ไม่ตั้งใจอย่างนั้นสักหน่อย รู้หนะ้าเอิญชอบให้พี่คุยกับเอิญแค่คนเดียวอีกอย่างเอิญเกลียดการพนันไม่อยากให้พี่เล่นตอนแรกที่เอิญถามพี่ถึงไม่ค่อยอยากยอมรับนักว่าคุยกับคนอื่นกลัวเดี๋ยวพอรู้ว่าคุยกับไอ้เต้เอิญคงเดาออกทันทีว่าพี่กับมันกําลังคุยเรื่องแบบไหนมาวันทาสัมผัสได้ถึงกระแสความอาทรมันแทรกซึมมากับทุกอนูอักษรความฟืดฝืนแบบเมื่อคลู่ของเขาสลายตัวไปเหลือแต่ความเอาใจใส่หล่อนเพียงคนเดียวขอบคุณค่ะเอิญกําลังยิ้มอยู่นะคะจะ ดีจังที่เป็นอย่างนั้นเอินไม่เคยอยากบังคับหรือฝืนใจพี่อ๋องหรอกทุกวันนี้ค่าบ้านพี่ก็เป็นคนผ่อนเขาของพี่ก็เป็นคนออกเอินจ่ายแค่ค่าผ่อนรถตัวเองกับของจุกจิกนิดหน่อยเท่านั้นในเมื่อพี่อ๋องรับผิดชอบเลี้ยงดูเอินขนาดนี้ถ้าจะเอาเงินส่วนตัวไปใช้อย่างมีความสุขแบบที่ต้องการบ้างเอินก็ไม่สมควรก้าวไก่และไม่มีสิทธิ์ไปว่าเลยพี่อ๋องก็รู้ว่าเอินไม่ใช่เมียประเภทถืออํานาจยึดทรัพย์เสียหน่อยพี่มีเอินให้เกรงใจก็ดีเหมือนกันแหละไม่แน่ ถ้าอยู่คนเดียวอาจโลภมากเกินขอบเขตล้มจมไปกับพนันบอล น, นานแล้วเล่นพนันนี่ผิดศีลหรือเปล่าไม่ผิดหรอกค่ะแต่พระท่านว่าเป็นอบา ย, ยมุกอบา ย, ยมุกนี่คือมุกที่ล่าคนไปอบายคงทํานองนั้นมั้งคะอบายแปลว่าความฉิบหายซึ่งอาจหมายถึงความย่อยยับแห่งพวกพทระซั์ในปัจจุบันส่วนอบา ย, ยภูมิคือที่ที่ปราศจากความเจริญท่านว่าการเสพติดอบา ย, ยมุกทําให้จิตใจตกต่ําเป็นธรรมดาเมื่อจิตใจตกต่ํา ก็พร้อมจะไปอยู่ในที่ที่ปลัสจากความเจริญแห่งใดแห่งหนึ่งระหว่างนรกภูมิเปเตภูมิอสุ ร, รกายภูมิหรือเดรัชชานภูมิอ้าวสวยละสิอย่างนี้พี่ก็ต้องไปเกิดภูมิใดภูมิหนึ่งในสี่จำพวกนี้ใช่ไหมหากเป็นเสียงมาวันทาก็สัมผัสว่าสำเนียงของเขาออกไปทางเล่นมากกว่าจะเชื่อจริงจังลัทธิไม่เคยปิดบังว่าเขาเห็นความรู้ในตำราหรือคำภีร์เป็นเพียงสิ่งที่คิดคิดแต่งแต่งกันขึ้นมาขู่เด็กเล่นเท่านั้นถ้าไม่ถึงกับเสพติด ก็คงเหมือนคนที่ยืนอยู่ปากเหวอย่างมีสติมั้งคะนักบินหนุ่มอมยิ้มอยู่อีกทางหนึ่งอย่างพอใจในคำตอบที่ฟังฉลาดของภรรยาแล้วสีนล่ะคืออะไรคือข้อพึงปฏิบตัติหรือความประพฤติที่ดีงามทางกายและวาจานะคะไม่รวมใจด้วยหรือไม่รวมคะ่ะงั้นถามหน่อยอย่าหาว่าเะเลืองเลยถ้าใครอยากนอนกับเมียชาวบ้านแล้วแค่ช่วยตัวเองในห้องน้าอย่างนี้ศินไม่ขาดนะไม่ขาดคะ่ะ สินจะเริ่มด่างพร้อยเมื่อมีอาการคิดเพ่งเล็งวางแผนอยากได้ของจริงและจะขาดทะลุต่อเมื่อลงมือกระทําผิดทางประเวณีแล้วผิดศินเป็นประจำนี่ไปอาบายภูมิเหมือนกันใช่ไหมค่ะเอแล้วการผิดศีลจะต่างกับการติดอาบายมุกยังไงนะ่ะถ้าจะเข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนต้องรู้จกักศัพท์เพิ่มอีกคําหนึ่งคือกรรมกิเลสซึ่งหมายถึงการกระทําอันเป็นเครื่องเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจําแนกไว้4ี่อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ผิดประเวณีและพูดเท็จทำกรรมเหล่านี้เมื่อไหร่จิตจะต้องมีความเศร้าหมองเป็นอกุศลทันทีตามธรรมชาติและทีพอนึกออกคิดถึงตัวเองอยู่ในใจว่ายังไม่ทันผิดประเวณีเต็มร้อยมาวันทาก็เศร้าหมองและฟูมฟาจะเป็นจะตายแย่แล้วช่วงเกิดเรื่องกับลานดาวใหม่ๆแล้วอบายมุกละ่ะสาหรับอบายมุกนั้นจนาแนกเป็น6ประการได้แก่ติดเหล้าหนึ่งชอบเที่ยวกลางคืนหนึ่ง เที่ยวดูการละเล่นทีจัดหนึ่งมักเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและเกียดคล้านการงานหนึ่งใครๆก็คิดได้ด้วยสามัญสำนึกว่าเหล่านี้เสพติดแล้วเป็นเหตุย่อหยับแห่งโพวกขศัตรูจริงๆชายหนุ่มอ่านทวนอย่างใช้ความคิดแล้วพยักหน้าพอจะเห็นเขาละ่ะพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาจำแนกแจกแจงละเอียดละ อ, อจังเลยนะกรรมกิเลสนั้นทำแล้วสมบัติอาจจะไม่ฉิบหายแต่ก็ได้ชื่อว่าสั่งสมบาปกองโตไว้อย่างพวกเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ ที่ต้องทําปาณาติบาตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผลในปัจจุบันคือรวยเอารวยเอาได้อยู่ส่วนอบายามุกนั้นเสพติดแล้วรังแต่จะทําให้สมบัติเสื่อมลงแต่ก็ใช่จะเป็นบาปอกุศลเสมอไปอย่างพวกชอบเที่ยวตระเวนดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยเพียงแต่เสียเวลาทำมาหากินทําำรัพ์ให้ร้อยหรอไปโดยไม่หาเพิ่มค่ะแต่ถ้ามัวเมาเป็นประจําทั้งกรรมกิเลสและอบายยมุกก็ให้ผลเป็นการไปเกิดในทุกคติเหมือนกันนะคะ เพราะการมัวเมาในกามย่อมเป็นเหตุแห่งความพล้าเลือนของสติกลับไปที่คำถามของพี่อ๋องว่าการพนันผิดศีลไหมต้องตอบว่าไม่เพราะใบยมุขที่ผิดศีลมีข้อเดียวคือการติดสุราฮ่าๆคอยลงอกไปหน่อยที่แค่เล่นพอหอมปากหอมคอให้ดูบอนหมันขึ้นแต่ชีวิตปกติทำงานหาเลี้ยงชีพโดยชอบไม่ได้เป็นผีพนันตามบอนกับใครเขาคงไม่เป็นกรรมนาไปเกิดในอบายนะค่ะมาวันทาพิมตอบไปสั้นๆ แต่ในใจแอบคิดว่าคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลตราบใดเท้ายังแช่อยู่ในทะเลตราบนั้นความเสี่ยงทั้งปวงก็ยังคงอยู่ที่นั่นเสมอโดยอาชีพทําให้ละทีค่อนข้างห่างจากเล่าโดยปริยายกินได้เพียงบางโอกาสเพราะนักบินจะมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนขึ้นเครื่องไม่ได้หลายปีก่อนเขาเคยสูกบุหรี่แต่พอเห็นหล่อนรังเกียจก็ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเลิกขาดจากตัวก่อมเร็งเท่านี้นับว่าเขาเป็นสามีแสนดีที่หายากจะแย่อยู่แล้ว หล่อนคงไม่คาดหวังให้เขาสมบูรณ์แบบเพื่อหล่อนมากไปกว่านี้ประมาณสี่ทุ่มล้านดาวอาบน้ำเสร็จก็มานอนปล่อยใจฟุ้งซ่านไปเรื่อยนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ว่างพอจะทอดอารมณ์แล้วคิดถึงคนอื่นนอกเหนือจากมาวันทาอมาริดเป็นความแปลกใหม่มีทั้งความสะดุดตาตรึงใจมีทั้งกระแสะอบอุ่นนุ่มนวลชวนฝันเขาเป็นหนึ่งในชายไม่กี่คนที่มีกระแสะตาแรงชนิดแทงทะลุเข้าไปถึงหัวใจผู้หญิงได้ นานเพียงใดแล้วที่หล่อนเลิกคิดถึงผู้ชายแต่เขาปรากฏตัววันเดียวก็เรียกความรู้สึกแบบสาวน้อยรอเจ้าชายในนิทานของหล่อนกลับมาจนครบชีวิตเป็นเรื่องประหลาดรอบางสิ่งมานานจนหมดหวังสิ่งที่หวังก็มาประเคนถึงมือคล้ายมีใครอยากแกล้งยั่วให้กระโดดโลดเต้นไม่ยอมให้หยุดพักหายใจหายคอแม้สักครู่ล้านดาวอมยิม้มปิดตาประสานมือวางบนอกอย่างผ่อนคลายสบายใจล็อกความรู้สึกนึกคิดให้จดจ่ออยู่กับอมริตแน่วแน่ แล้วนับถอยหลัง60 59 5หาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง3 2 1สองเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นลานดาวเปิดตายิ้มกว้างอย่างสมหวังเพราะนั่นคือสิ่งที่หล่อนตั้งเป้าคาดหวังไว้ในใจลุกขึ้นไปหยิบกระบอกโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานแล้วกรอกเสียงหวานลงไปทันทีสวัสดีค่ะพี่แตร์นี่เป็นอำนาจชนิดหนึ่งที่หล่อนชอบใช้กับหนุ่มๆทั้งหลายให้ทนไม่ได้ต้องโทรหา ฝึกหัดมานานและได้ผลจนรู้ว่ามันมีอยู่จริงมีใช่เพียงอุปาทานอัตราส่วนความสําเร็จสูงกว่าล้มเหลวประมาณสองในสส่วนที่ล้มเหลวนั้นพอสืบย้อนดูจากเจ้าตัวหลอกถามว่าเวลานั้นๆกําลังทําอะไรก็ปรากฏว่าติดธุระสาคัญอยู่ทั้งที่คิดถึงและอยากโทรหาหลอนใจแทบขาดในห้วงเวลาที่ยังไม่มีโทรศัพท์บ้านชนิดบอกเบอร์ผู้เรียกการเป็นฝ่ายทักก่อนทั้งที่เป็นผู้รับสายทําให้คนโทรอ้าปากค้างตะลึงทึ่งได้ชงัด ครั้งนี้ลานดาวก็ไม่พลาดเป็นอมริตจริงๆทว่าแตกต่างจากคราวก่อนๆก็คือหล่อนได้กลายเป็นฝ่ายอ้าปากค้างบ้างคราวหลังแค่ครึ่งนาทีพี่ก็รู้แล้วไม่ต้องนับถอยหลังตั้งหนึ่งนาทีหรอกลานดาวกลืนน้ําลายเอื้อกกระพริบตาปลิบๆฮะหลุดคําออกไปได้เท่านั้นสมองก็คล้ายหยุดค้างตัวแข็งทื่อตะลึงเชียวอมริตหัวเราะเอือยเออยนึกว่าเล่นกลเป็นคนเดียวหรือยิงสาวอึกอักคือช็อกนะคะ่ะ พี่ตรายรู้พี่ก็กะว่าจะโทรหาจ้าอยู่เหมือนกันเพียงแต่เมื่อชั่วโมงก่อนเห็นยุ่งยุ่งเหมือนคุยกับใครอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าดึกไปหรือเปล่าแต่จ้าส่งสัญญาณเรียกมาเองอย่างนี้ก็ดีแล้วลานดาวอึ้งสนิทเงียบกลิบราวกับลมจับเป็นครู่กว่าหล่อนจะกลับสติได้และค่อยๆขยับกายกลับมานั่งลงบนเตียงพี่ตรายทาให้จ้ากลัวเสร็จแล้วสิคะแค่ทึ้งก็พอเพราะจ้าเองท่าทางชอบใชัยมุกทํานองนี้ให้ใครเขาทึ่งอยู่เป็นปกตินี่ หญิงสาวมืนงงเรากับตกอยู่ในห้วงฝันแต่ไหนแต่ไรมองว่าตัวเองเป็นเจ้าแม่และเห็นผู้ชายทั้งโลกเหมือนลูกไก่ในกํามือบีบก็ตายคลายก็รอดตอนนี้กลับตาลปัดไปหมดเหมือนกลายเป็นลูกไก่เข้าให้บ้างก็เอ่ยแค่นั้นแล้วนึกได้ว่าเขาถามในสิ่งที่หล่อนไม่จําเป็นต้องตอบจึงเลี่ยงด้วยการถามกลับทํายังไงพี่ตรายถึงรู้ได้คะแพทย์หนุ่มหัวเราะนิ่มๆพี่รู้จักและคุ้นเคยกับกระแสจิตชนิดที่พุ่งมาเรียกตัวดี เคยฝึกกับเพื่อนเพื่อเพื่อเก็บสถิติเอาความแม่นยำเป็นเรื่องเป็นราวด้วยหมายถึงเพื่อนเพื่อนที่เรียนปรจิญวิทยาด้วยกันที่ดุกใช่แล้วพี่ตรายรู้ขนาดเห็นจานนับถอยหลังจาก60ิเลยหรอไม่บ่อยนักที่หลอนตัวรีบและมีซุ้มเสียงกระเดียดไปทางคล้ามเกรงใครเช่นนั้นพี่ไม่รู้หรอกว่าจะเริ่มจากเลขอะไรเป็นการประมวลและประมาณเอาหะยังไงคะหัวใจลานดาวเริ่มเต้นแรงบังเกิดความสนใจใคล้รู้จริงจัง เริ่มตน้นพี่รู้แค่มีคลื่นจิตแรงๆมาจากจะทีแรกนึกว่าเป็นความคิดถึงธรรมดาธรรมดาแต่พอสัมผัสนานเข้าและเห็นความคงที่ก็เอะใจเดา ว, ว่าน่าจะเป็นกระแสะเรียกออกมาจากสมาธิพอตามจับจิตเป็นขณะขณะก็สังเกตเห็นว่าเป็นสมาธิชนิดนับเลขเพราะมีการแบ่งระรอกช่วงอดัดและคลายการนึกแบบนับจํานวนและที่รู้ว่าเป็นการนับถอยหลังเพราะจิตมีแรงฝืนทวนกระแสะเล็กๆ ไม่ใช่นับอย่างเป็นธรรมชาติส่วนที่รู้ว่าเป็นหนึ่งนาทีเพราะดูเวลาจากนาฬิกาตอนช่วงท้ายมีแรงเร่งเราเข้าใกล้จุดจบของการนับมีอาการปักใจเชื่อมั่นเด็ดเดี่ยวว่ากำลังจะบังเกิดผลที่ต้องการซึ่งไล่ๆกันพอดีกับที่พี่ถูกจูงให้ยกหูกดเบอร์แล้วแน่ใจได้ยังไงคะว่าเป็นคลื่นจิตของจ๊ะไม่แน่ใจได้เต็มร้อยจนกระทั่งจ๊ะทักเหมือนดักจ้องรอพี่โผล่หน้าอยู่ก่อนนั่นแหละออ ลันดาวรับรู้และหัวร็อกเกอรคิดแล้วน่าแปลกนะคะการรับคลื่นจิตในระยะไกลเป็นเรื่องจริงไปได้อย่างไรเรื่องของจิตจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ด้วยจิตเท่านั้นแหละอย่างตอนนี้เราอยู่ห่างกันไม่เห็นหน้ากันแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมคนทั่วไปจะอธิบายว่าเพราะได้ยินเสียงเข้าหูกันชัดๆซึ่งก็ถูกแต่ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดอีกเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกใกล้ก็เพราะจิตเชื่อมกันโดยตรงบางคนติดคุยโทรศรัพท์นานๆ ก็เพราะชอบความรู้สึกใจเชื่อมใจนี่แหละสิ่งที่พี่แตรเรียกว่าใจเชื่อมใจนี่คือความรู้สึกว่าอีกฝ่ายอยู่กับเราอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าคะใช่จิตคนจะเริ่มเชื่อมกันโดยอาศัยคลื่นเสียงเป็นพาหะแต่ถ้าใจเป็นคนละระดับชั้นกันจริงๆถึงอย่างไรก็ต่อไม่ติดสังเกตสิว่าทําไมบางทีเราคุยกับบางคนไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็ตั้งใจฟังเรานึกกันว่าภาษาพูดคือทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ความจริงไม่ใช่ กลืนจิตที่ผิดกันมากๆจะเป็นกระแสรบกวนแก่กันและกันทําให้รู้สึกอั้มอึ้งพูดไม่ออกฟังก็ไม่ค่อยถนัดอืมไม่เคยคิดในแง่นี้เลยนะคะเนี่ยเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าถ้าจ้องจะพูดอยู่คนเดียวก็รู้แต่ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเงี่ยหูฟังอีกฝ่ายอย่างตั้งใจสักพักหนึ่งถึงค่อยรู้ความต้องการของเขาขึ้นมาบ้างแบบเดาถูกว่าจะพูดอะไรกําลังรู้สึกแบบไหนนั่นแหละเรื่องง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือสติเน้นที่ไหน เราก็จะรู้เรื่องนั้นมากคลื่นจิตของมนุษย์ก็เหมือนธรรมชาติอื่นๆมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาสติไปจดจ่ออยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วตอนไม่ได้ยินเสียงพี่แตรเห็นคลื่นจิตคนอื่นเป็นยังไงคะตอนคิดถึงใครจิตเราจะเหมือนคลื่นวิทยุที่แพร่ออกไปในอากาศนั่นแหละแต่จิตเป็นได้ยิ่งกว่าคลื่นวิทยุตรงที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยอากาศเป็นพาหะในการกระจายคลื่นเพราะจิตสามารถต่อกระแสกันโดยตรง อีกอย่างคลื่นจิตคนเราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงสามารถถูกจำแนกได้มากกว่าคลื่นความถี่วิทยุต่างๆเสียอีกหากฝึกจำแนกคุณลักษณ์จิตคนให้คล่องคลง่ด้วยเกณฑ์แยกแยะเช่นระเบียบความคิดความหนาแน่นของกลุ่มความคิดระดับความสว่างผ่องใสของดวงจิตระดับความหนักแน่นของกําลังใจในชีวิตรวมทั้งเงาบางอย่างที่มาจากการสั่งสมนิสัยทางการพูดและการกระทําเฉพาะตัวก็จะระบุได้ว่าคลื้นที่เรารับนั้นส่งมาจากใครค่ะ หลอนพึมพำเพียงให้ทราบว่าตามฟังเขาอยู่แม้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจนักอมริ์เอ่ยสืบต่อการที่จ้าตั้งใจบังคับให้ใครโทรหาก็เป็นตัวอย่างว่าคนอื่นสามารถรับคลื่นจิตของเราและคลื่นนั้นทำให้นึกถึงเราได้ว่าแต่พูดถึงเฉพาะเอกลักษณ์ของจ้าตรงนี้เท่าที่พี่เห็นคือกระแสจากจ้บีบคันรุนแรงเหลือเกินแสดงว่าจาท่าทางเป็นคนชอบใช้อานาจเหมือนกันนะ เคยเทวินหาคนรู้ใจมานานแต่พอเจอของจริงรู้จริงๆละเอียดลึกซึ้งระดับนี้ลานดาวกลับอั้มอึง้งแทบพูดไม่ออกแม้ตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่เหลือประมาณก็มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงระคนอยู่ด้วย ว, ว้าวนี่จิตแพทย์หรือพ่อหมดกันแน่คะ่ะพยายามคุมเสียงเป็นปกติแต่ไม่วายติดสัน่นพี่ทําได้แค่พื้นๆเท่านั้นเพื่อนหลายคนเก่งกว่านี้เยอะแค่นี้ก็หัวใจจะวายแล้วค่ะนี่คนไข้ไม่กลัวพี่แตรกันลานไปหมดหรือ ถ้าไม่อยากให้เขารู้ว่าเรารู้ทําเงียบๆ เ, เสียเขาก็เห็นเราเป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งอีกอย่างที่ไม่ใช้ความสามารถนี้พ่ําเพลื่อหรอกเพราะถ้าย้อนกลับมาอยู่กับจิตตัวเองไม่เป็นก็เดือดร้อนเลยนะคือใจจะเปิดรัวรับคลื่นใครต่อใครมั่วไปหมดว่าแต่จ้าไปเอาเทคนิคเรียกคนให้โทรหามาจากไหนใครเป็นคนสอนได้มาด้วยความบังเอิญนะคะ่ะสมัยเด็กเป็นคนติดคุณแม่มากถ้ากลับจากโรงเรียนแล้วยังไม่เห็นคุณแม่ก็จะออกอาการอารวาสบ่อยๆ คนที่บ้านก็มักชี้ให้ดูนาฬิกาบอกว่าคุณแม่จะกลับกี่ทุ่มกี่ยามจะเลยคล้ายๆมีความอาฆาตกับนาฬิกาจ้องมันอยากจะกินเลือดกินเนื้อเป็นประจำพอดูเข็มวินาทีขยับติกต๊กติก๊แล้วคิดถึงแม่ไปด้วยก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างก่อตัวขึ้นแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วก็เหมือนอยากให้แม่โทรหาเราเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะกรีดให้สนั่นโลกแล้วแม่ก็โทรมาจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นเข้าใจละ่ะจะมีพลังจิตสูงตั้งแต่กําเนิดถึงทําอะไรได้มากมายตามปรารถนา ว่าแต่สอนจ้าให้รู้แบบที่แตร่บ้างได้ไหมคะจ้าก็เก่งอยู่แล้วต้องให้สอนทําไมเคยลงนึกว่าเก่งเหมือนกันแหลคะค่ะแต่พอมาเจออย่างนี้เห็นทีต้องชิดซ้ายลงสดือทะเลไปเลยอ้อนวอนคะ่ะสอนจ้าหน่อยนะอมริทหัวเราะพอเห็นว่าลานดาวอยากเรียนจริงๆเอ่ยจะให้สอนอะไรวิธีรู้ใจคนอื่นแบบที่พี่แตร์รู้นะคะสําหรับพี่พี่มีเหตุผลที่ดีคือเอาไว้ช่วยเหลือคนไข้าทางอ้อมโดยไม่ให้เขารู้ตัว แล้วสำหรับจ๊ะล่ะมีเหตุผลอะไรที่อยากรู้ใจคนอื่นยอมรับว่าสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองในตอนนี้แต่ดูจากความมีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคมของพี่แต ร, ตรก็ทําให้จ๊ะรู้ว่าถ้าเรียนไปก็จะซึมซับแนวทางทำประโยชน์กับคนอื่นได้อีกมากอย่างไรก็ดีกว่าปล่อยให้จ๊ะหลงใช้อํานาจแบบผิดผิดและอาจเป็นโทษกับใครต่อใครอยู่ตามลําพังอมาลิดหัวเราะอีกนึกพึงใจวิธีพูดประหลากของหล่ อ, อ, ลอนลองบอกซิตอนนี้พี่ยิ้มหรือหุบยิ้มยิ้มอยู่รู้ได้ไง เสียงพี่แตรมีประกายสายแบบคนพูดทังยิ้มนี่คะนั่นแหละจุดเริ่มต้นง่ายๆของการรู้ใจคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่พี่สังเกตได้จากการคุยโทรศัพท์ตั้งแต่เด็กๆจะเองก็เห็นใครๆก็เห็นเพียงแต่ไม่ใส่ใจและไม่สังเกตเพิ่มเติมเพราะคนเราคุยโทรศัพท์กันด้วยความอยากพูดของตัวเองมากกว่าอยากเห็นใจคู่สนทนาจริงค่ะลานดาวรับและทวีความสนใจเข้มข้นยิ่งขึ้น สรุปคือตอนนี้จ้าสามารถกําหนดรู้ได้ด้วยใจว่าพี่กําลังยิ้มอยู่โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเพียงได้ยินเสียงเท่านั้นภาพหน้ายิ้มของพี่ก็ปรากฏขึ้นในใจของจ๊ะขอให้นึกไว้ว่านี่แหละคืออาการทางจิตฝั่งที่พี่ไปปรากฏในการรับรู้ของจิตจ้าคราวนี้ลองนึกถึงมโนภาพหน้ายิ้มแบบนี้ของพี่ไว้แล้วจะเห็นว่ามีเสียงหรือเงียบเสียงจะ ก, ก็รู้ได้อยู่ดีว่าพี่ยิ้มหรือหุบพี่จะเงียบนะถ้ารู้สึกว่าพี่หุบยิ้มก็ทักเลยหญิงสาวตื่นเต้นเล็กๆ เมื่อพบตามจริงว่าถ้าเงียหูฟังความเงียบเหมือนรอฟังเสียงพูดตามปกติใจจะยังมีมโนภาพหน้ายิ้มของเขาตกค้างอยู่เสียงพูดขณะยิ้มเป็นความสะเทือนที่ฟองอาการยิ้มได้แต่ความเงียบก็บอกคลื่นความสะเทือนของยิ้มที่ตกค้างอยู่บนริมฝีปากได้เช่นกันจิตอมริตยิ้มเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานสดชื่นจึงสำเนียกสัมผัสได้ง่ายได้กระทั่งสิบวินาทีต่อมาหล่อนจึงรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขาเหือดหายไปมโนภาพยิ้มเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น พี่แตรหยุดยิ้มแล้วใช่ไหมคะทำหน้าเธอหมึงนถึงด้วยเพราะเจตนาจะให้จารับรู้ง่ายๆชัดๆนักเรียนพลังจิตทักอย่างลิงโลดแถมบอกเจตนาอันเป็นเบื้องหลังเศษสับหล่อนว่าหล่อนรู้ณขณะของอาการหดตัวของกล้ามเนื้อริมฝีปากและแก้มได้เลยทีเดียวแบบฝึกหัดแรกช่างง่ายดายและสร้างความตื่นใจยิ่งยวดสงสัยว่าเหตุใดหล่อนจึงไม่ค้นพบความจริงนี้ด้วยตนเองเสียตั้งนานแล้วอืมถูกแถมเดาใจพี่ออกอีกต่างหาก ลานดาวยิ้มสดชื่นเมื่อได้คํารับรองให้ยิ่งเชื่อมัน่นไม่มีใครเริ่มเชื่อมั่นด้วยความรู้ในจิตตนตามลําพังต้องมีความจริงเป็นรูปธรรมรองรับให้เกิดความมั่นใจว่าใช่ความมั่นใจจะเสริมความแหลมคมให้กับภาวะรู้เห็นครั้งต่อต่อไปเช่นขณะนี้สำเนียงทราบว่าอมริ์กําลังชื่นชมลูกศิษย์หัวไวอย่างหลอนเพราะอาการทางจิตของเขาคือมีปีติและเต็มใจพร้อมทุ่มเทวิชาให้อย่างหมดไส้หมดพุง เราจะเริ่มตามจิตคนอื่นได้ถ้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเคลื่อนไหวหรือเห็นภาวะแตกต่างของจิตอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่คนเราไม่รู้ที่สุดก็คือสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้การไม่ตระหนักในความจริงนี้ทําให้เกิดม่านอุปท า, านขึ้นบังใจเช่นถ้ารู้สึกว่าพี่ยิ้มก็จะนึกว่าพี่ยิ้มไม่ยอมหุบไปตลอดนอกจากอุปท า, านว่าทุกสิ่งคงที่แล้วยังมีอะไรอีกรู้ไหมที่ขวางกั้นไม่ให้เรารู้วาระจิตคนอื่นได้อมริษถามแบบยั่วให้คิด ลานดาวตอบเกือบทันทีความอยากให้คุณอื่นคิดอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะเก่งลานดาวจับจิตเห็นชัดว่าเขากำลังยิ้มเต็มใบหน้าเพราะสัมผัสสภาพเบิกบานชื่นช่ำราวกับฉีดไอ้น้ำเย็นส้านไปในอากาศเราจะไม่รู้ใจคนอื่นก็เพราะมัวแต่โดนความอยากของเราเองบดบังไว้ถ้าใครสามารถทำใจเป็นกลางไรอคติไ ร, ไรความคาดหมายใดๆก็จะรู้เห็นตามจริงเหมือนคนตาใสไม่เป็นฟ้าฝาง วิธีคือต้องมันบอกตัวเองให้ทำใจเป็นกลางอย่ามีอคติหรือเปล่าคะใจคนเราเต็มไปด้วยความลำเอียงและความคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ๆไปสั่งมันให้เลิอกอคติไม่ไหวหรอกจะลองสังเกตเดี๋ยวนี้ก็ได้ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกให้ถามตัวเองว่าเรารู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดผสมอยู่ด้วยได้ไหมถ้าทาไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่อาจกาหนดรู้วาระจิตคนอื่นโดยปราศจากความคิดของเราเข้าแทรกขั้นเช่นกัน ลานดาวพยักหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจเต็มทีแปลว่าถ้าจ้าฝึกตามรู้ลมหายใจกระทั่งไม่เหลือความคิดผสมอยู่เลยก็เท่ากับสร้างคุณภาพจิตให้เป็นกลางพอจะรู้ใจคนอื่นโดยปราศจากอคติใช่คุณครูพลังจิตยิ้มพึงใจอีกคำรบยิ่งไปกว่านั้นถ้าจิตเราสามารถจับความเคลื่อนไหวของลมหายใจตัวเองได้ชัดก็จะพลอยสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของลมหายใจคนอื่นด้วยแม้แต่ทางโทรศัพท์อย่างนี้ลองดูเลยได้ไหมคะเอาซี แต่ทำยังไงจ้าถึงจะแน่ใจว่ารู้ลมหายใจตัวเองชัดแล้วอย่างที่แตรว่าบอกได้ไหมว่าหายใจครั้งนี้ลมเข้าหรือลมออกสั้นกว่ากันล้านดาวสังเกตแล้วตอบว่าลมออกสั้นกว่าลมเข้าค่ะและระหว่างลมเข้ากับลมออกอันไหนสบายกว่ากันอันไหนเจือปนด้วยความคิดฟุ้งซ่านมากกว่านักเรียนสาวสังเกตอีกก่อนให้คําตอบจากความเห็นจริงขาเข้าสบายดีเพราะลากลมยาวแต่ลมออกมีความคิดผวงปนอยู่ ลองดูว่ามีอาการที่เราจะรักษาความสบายตอนหายใจออกได้เท่าตอนหายใจเข้าได้ไหมลานดาวเพิ่งพบว่าตามปกติคนเราจะรีบส่งลมหายใจออกแบบผลีพลามแต่หากมีใจที่ผ่อนคลายระบายลมออกอย่างมีสติก็สามารถประคองความสุขไว้ได้เท่าการลากลมยาวเข้าร่างเช่นกันและอมริตซึ่งตามดูอยู่ก็รีบชี้ในจังหวะที่เขาสัมผัสไดถึงความสุขเสมอกันระหว่างลมเข้ากับลมออกของลานดาว ตอนนี้แหละที่จิตเริ่มผูกกับลมหายใจซึ่งทําได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าเมื่อนั้นเราอ่านใจตัวเองผ่านลมหายใจได้หมดถ้าลมสบายใจก็สบายถ้าลมยาวสติก็ยาวถ้าลมหยาบใจก็หยาบถ้าลมสั้นสติก็สั้นหากตระหนักตรงนี้ก็จะรู้ต่อไปอีกว่าเราใช้ลมในการปรับจิตให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้คือทําให้ลมยาวขึ้นนิ่มนวลขึ้นวิธีที่จะมีลมยาวอย่างเป็นธรรมชาติคือขณะลากลมเข้าให้พองหน้าท้องออกหน่อยหนึ่ง แค่นิดเดียวพอแล้วลมจะยาวขึ้นเองหญิงสาวลองพองหน้าท้องออกรู้สึกถึงความเกรงเคร่งบังคับและสับสนแต่ยังไม่ทันต้องรายงานอม m a r i ก็แนะมาต้องตั้งต้นที่ใจสบายเหมือนเราชื่นชมวันหยุดเหมือนเราทอดตามองขอบฟ้าทะเลกว้างอย่าตั้งความรู้สึกไว้ว่าเราต้องบังคับให้หายใจถูกใจที่สบายจะรู้วิธีที่ถูกเองแต่ใจที่เครียดหวังสงบเร็วเกินตัวจะทําให้หายใจผิดผิดเสมอ ลานดาวลองนั่งยืดกายตรงทอดตาสบายสบายไปข้างหน้าและพบว่าหายใจได้ดีขึ้นอย่างคุณครูว่าไว้เมื่อเพลินอยู่กับลมได้โดยไม่คาดหวังว่าต้องสงบหรือยึดจับลมให้แน่นเหนียวตลอดเวลาสายลมหายใจก็เริ่มปรากฏชัดต่อจิตมากขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติไปเองการเป่าฟลุดในหลายเดือนที่ผ่านมามีส่วนช่วยอย่างมากลมหายใจหล่อนยาวขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นเรียกว่าเป็นส่วนฐานอันส่งเสริมให้เกิดความตั้งมั่นได้เร็วกว่าคนปกติแม้แต่อมาิต ซึ่งจับจิตลอนอยู่ตลอดเวลาก็ยังเอ่ยถามด้วยความแปลกใจอยู่กับลมได้นิ่งดีนี่เคยฝึกมาก่อนหรือคงเกี่ยวกับที่เล่นฟลุตด้วยมั้งคะอ๋ออมริตนึกขึ้นได้เอาละถ้าอ่านจิตตัวเองผ่านลมหายใจได้ก็อ่านจิตคนอื่นได้เท่ากับที่เราสามารถอ่านตัวเองลองอย่างนี้นะพอพี่เงียบเสียงให้ดูความรู้สึกฝั่งพี่ว่าน่าจะสดชื่นเหมือนตอนจะหายใจเข้าหรือผ่อนคลายแบบจะหายใจออก ลานดาวปฏิบัติตามคำสั่งคือเมื่อเขาหยุดพูดหล่อนก็ทำความรู้สึกเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็ต้องยิ้มกว้างตาเป็นประกายเมื่อเห็นร่องรอยการหายใจจากอีกฝ่ายผ่านกระบอกโทรศัพท์ได้จริงๆโดยจับสังเกตที่ความสดชื่นของจิตยามลากลมเข้ากับความผ่อนคลายของจิตยามระบายลมออกคิดว่าเห็นนะคะเอาลองบอกซิตรงไหนเข้าตรงไหนออกพอเขาหยุดพูดและกำหนดลมเข้าออกชัดลานดาวก็ชี้ตอนนี้เข้าค่ะลากยาวมาก ตอนนี้ออกหล่อนบอกได้ถูกต้องแม้เขาแกล้งหยุดยาวก็ไม่หลงกลไม่พากตามจังหวะคงที่เหมือนสองสามระรอกแรกพอผ่านไปประมาณสิบรอบเข้าออกอมริตก็ยุติแบบทดสอบแล้วชมอืมบอกไม่ผิดเลยถือว่ามีพรสวรรค์นนะแล้วแสดงด้วยว่าสติคมชัดต่อเนื่องดีมากลานดาวยิ้มปลืมยิ่งสนุกขึ้นทุกทีขอบคุณค่ะคนธรรมดาทั่วไปจะไม่มีความสดชื่นในการลากลมเข้าไม่มีความผ่อนคลายตอนระบายลมออก เพาลมของพวกเขาทั้งอ่อนทั้งสั้นลองจับสังเกตตอนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆก็ได้เข้าใจแล้วค่ะเอาอีกสอนอีกไม่เหนื่อยหรือมีกําลังวังชามากที่สุดในชีวิตเลยค่ะคืนนี้งั้นลองจับจิตแบบที่ยากขึ้นอีกนิดลองดูความแตกต่างกันระหว่างลืมตากับปิดตาดูนะขอให้ดูจากตัวเองก่อนสังเกตว่าตอนลืมตาจะรู้สึกว่ากระแสใจเปิดรู้ดูออกข้างนอกอย่างที่กําลังเป็นอยู่เอาล่ะลองปิดตาเพื่อเปรียบเทียบดู ลานดาวปิดเปลือกตาตามคำสั่งอมริชชี้เกือบทันทีเห็นไหมตอนปิดตาจิตจะมีลักษณะปิดทึบเก็บเข้าข้างในพอทิ้งไว้สักพักในหัวจะเหมือนอ่างขังความคิดวกวนหรือฟุ้งแน่นขึ้นเรื่อยๆลองลืมตาซิเห็นความแตกต่างไหมหญิงสาวเปิดตาสังเกตสภาพจิตตนเองแล้วตอบค่ะคิดว่าเข้าใจและเห็นความแตกต่างนะคะคราวนี้ลองบอกซิว่าที่ลืมตาหรือหลับตาลืมตาค่ะตอนนี้หลับตา ลืมตาแล้วถูกตอนนี้ล่ะลานดาวกำหนดรู้อย่างเคยแล้วต้องพบกับความประหลาดใจเพราะเหมือนจิตเขาเปิดโล่งสว่างสวัยเป็นดวงใหญ่และมีความคงที่กว่าปกติยิ่งนักลืมตาและเป็นการลืมตาที่กว้างขวางมากพี่ทำอะไรคะแกล้งเบิ่งตาโตๆหรอกจ้าหรือเปล่าเขาตอบหนักแน่นพี่กำลังหลับตาต่างหากแต่ที่ผิดไปจากการหลับตาธรรมดาคือจับลมหายใจนิ่งจนกระทั่งเป็นสมาธิมีปิติสุข มีความหนักแน่นจิตจึงเปิดโล่งกว้างออกทุกทิศทุกทางเสียยิ่งกว่าขณะลืมตาถ้าจะฟังเสียงอย่างเดียวก็จะเกิดมโนภาพเป็นความขาวลานดาวห่อปากคลางอ๋อสมาธิจิตเป็นอย่างนี้เองรู้สึกเหมือนเป็นดวงขาวจริงๆด้วยค่ะหากจิตปักหลักมั่นคงโลกภายในจะแตกต่างไปมากถ้าจะาจับจิตหรือลมหายใจใครได้ก็อาจเห็นตัวเขาเป็นภาพเป็นเสียงทีเดียวหรือคะถามแล้วเม้มปากแล้วในทางกลับกัน เราปรากฏตัวให้ใครเห็นเหมือนเห็นผีได้ไหมก็ได้อยู่แต่ยากมากสมาธิระดับของพี่ยังไม่แข็งพอจะทำอย่างนั้นถ้าแค่ส่งพลังให้เขาสัมผัสเช่นไออุ่นหรือลมแผวก็พอไหวดูนะข่าเสียงอมริตเพียงครู่ลานดาวก็สัมผัส ว, ว่ามีลมหายใจใครคนหนึ่งรถต้นคอทำให้ต้องร้องอุ้ยดังๆขนลุกเกลียวไปทางร่างด้วยความ a จ t รนใจเป็น ล, นล้นพ้นเก่งจังค่ะอย่างนี้ต้องทายังไงคะถามพลางหัวเราะรา พอจิตนิ่งเห็นสายลมหายใจของตัวเองชัดพี่ก็นึกถึงต้นคอของจะแล้วกําหนดให้เกิดการพัดไหวที่นั่นฟังดูง่ายนะคะหลักการง่ายแต่จะทําจิตให้ถึงความสามารถตรงนั้นคงยากหน้าดูตอนพี่แตรนึกถึงต้นคอจะนี่เห็นเป็นนิมิตชัดเลยหรือเปล่าถ้าเราสามารถเห็นลมหายใจตัวเองชัดก็จะสามารถเห็นสิ่งที่ละเอียดเท่ากันหรือหยาบกว่าได้ง่ายต้นคอจะอยู่ที่เดียวกับจิตของจะนั่นแหละ พอพี่สัมผัสจิตของจ๊าแล้วนึกถึงต้นคอก็จะพลอยเห็นต้นคอจ้าตามจริงไปด้วยเอลานดาวชักระแวงอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าพี่แตรอยากเห็นจ้าตอนไหนก็เห็นได้ถุกเมื่อน่ะสิก็คงอย่างนั้นแต่ถ้าทำอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธส่วนบุคคลดูสิ่งที่ต้องห้ามหรือเจ้าตัวไม่อยากให้รู้เห็นอย่างนี้จะมีโทษอย่างแรกคือสมาธิเสื่อมลงทันทีและต่อติดยากอย่างที่สองคือเกิดแรงสะท้อนอย่างหนักจากธรรมชาติ เช่นเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนให้ฝูงซ่านเป็นทุกข์ในชีวิตจริงหน้าตาคล้ำมองมศงาราศีอะไรทํานองนั้นอ๋อค่ะหญิงสาวยิ้มเจืิญเจริญสมาธิคงเป็นคุณภาพจิตที่เหมาะจะอยู่กับคนดีมีคุณธรรมพออยู่แล้วนี่นะคะใช่แล้วถ้าตอนนี้จ้าอยากคุยกับพี่ตราทางจิตจะทําได้หรือเปล่าก็ต้องมีความคุ้นกระแสกันอีกนิดหนึ่งเพียงพอจะสัมผัสเชื่อมติดกันโดยตรงแล้วจ้าก็ต้องมีกําลังจิตสูงขึ้นอีกหน่อย เพียงพอจะเหนียวนำให้จิตพี่รับภาษาจิตของจะตรงๆได้โดยไม่วอกแวกขณะส่งสารว่าอยากทำได้เร็วๆจังเลยมีอีกทางหนึ่งอาจจะน่าตื่นใจกว่าโทรจิตอีกอะไรหรอเจอกันในฝันฮิฮิน่าสนุกจังทำยังไงคะลานดาวรู้สึกว่าตนกำลังจะได้พบกับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิต